วันเสาร์ที่23มีนาคมพศ2539รรมาัญรยายเรื่องประวัติการบรรลุธรรมของพระอดีศสาวกโดยอาจารย์สุเทพโทธิสัต t าสาธุชนผู้ใคร่ธรรมที่เคารพทั้งหลายวันนี้จะกล่าวถึงประวัติการบรรลุธรรมของพระเถระองค์ สืบต่อไปที่พูดถึงเมื่อคราวก่อนได้มาจบลงที่องค์ที่เจ็ดสิบสี่องค์ลำดับถสืบมาคือเจ็ดสิบห้านั้นมีชื่อว่าพระสุสาธ ะ, ะพระสุสาธ ะ, ท, ะท่านสุสาธ ะ, ะนี้ <c oughs> เป็น ญาติกับท่านพระสัลยิบุตรคือเป็นคนที่เกิดในหมู่บ้านนาละกาคามที่อยู่ในแคว้นมคธ เ, เมื่อเป็นญาติพระสัลยบุตรก็แน่ละครับท่านจะต้องเป็นลูกพราหมณ์เหมือนอย่างท่านพระสัลยิบุตรไม่ได้เป็นลูกกรรษัตริย์แต่เป็นลูกพราหม์แต่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับท่านพระสัลยบุตรอย่างหนึ่ง จากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวก็คือพระสารีบุตรนั้นเป็นคนเฉลียวฉลาดมีปัญญามากแต่ว่าท่านสุสราระนี้เป็นคนมีปัญญาน้อยสมรรถภาพทางปัญญานั้นผิดจากพระสารีบุตรที่ว่าปัญญาน้อยนั้นก็คงจะเทียบกับพระสารีบุตรแล้วก็กล่าวโดยอาการทั่วๆไปซึ่งไม่ได้หมายความถึงว่าบรรลุธรรมไม่ได้ ท่านสามารถบรรลุทำได้มีอุปนิสัยบารมีที่จะบรรลุทำได้แต่ไม่ใช่ปัญญาจริตโดยเหตุนั้นท่านเมื่อได้มาฟังธรรมในสำนักของท่านพระสารีบุตรซึ่งเป็นผู้บวชก่อนหน้านี้นานแล้วเมื่อฟังแล้วก็เกิดเลื่อมใสแล้วก็ได้ออกบวชตามก็คือบวชอยู่กับท่านพระสารีบุตรท่านเองและเมื่อบวชแล้ว ก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ซึ่งไม่มีประวัติในส่วนนี้เป็นเรื่องอโรดพ้นแต่อย่างไรชีวิตประวัติของท่านก็มีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรพิสดารข้อเป็นข้อพิเศษก็คือกล่าวว่าเป็นคนมีปัญญาน้อยก็คอองจะหมายถึงปัญญาโดยทั่วไปซึ่งไม่ได้หมายถึ ง, งโง่ ด้วยอำนาจของกรรมอย่างเช่นท่านจุลปันทกอย่างนั้นก็เป็นกรณีอีกอันหนึ่งจึงจึงให้ข้อสังเกตว่าคำว่าความเฉลียยฉลาดเนี่ยสาระในทางการบรรลุธรรมเป็นอันหนึ่งคือคนที่เป็นปัจิมพวิกษัต ร, รสามารถจะบรรลุธรรมได้ถึงขั้นอรหรัน แล้วก็มีปัญญาที่ที่เรียกว่าติดตัวมาตั้งแต่เกิดพร้อมกับปฏิสนธิติดมาแต่ว่าในชีวิตระหว่างนั้นก่อนจะบรรลุธรรมก่อนปฏิบัติธรรมคนเหล่านี้อาจจะไปต้องชาตากรรมบางอย่างทําให้มีสภาพเหมือนเป็นคนโง่หรือไปต้องกิเลสบางอย่างก็ทําให้มีสภาพเหมือนเป็นคนโง่เช่นว่าไปกินเหล้าเมายาหรือไปติดยาเสพติด ต่างๆเหล่านี้ทำให้สภาพชีวิตในส่วนชั้นนอกเนี่ยดูเผลอๆก็เหมือนจะบรรลุทำอะไรไม่ได้หรือเป็นคนที่ไม่มีการศึกษาก็อาจจะมีอาการเหมือนเป็นคนที่ไม่ฉเฉลียวฉลาดนะฮะหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่รู้เท่าทันคนถูกเขาหลอกง่ายไอ้ถูกเขาหลอกง่ายเนี่ยก็คือหลอกถูกหลอกด้วยเหตุผลทางกรรมที่คนฉลาดเขาอาจจะถูกหลอกแล้วโลกก็ตราหน้าว่าเป็นคนโง่ แต่คนเหล่านี้น่ะไม่ใช่บรรลุทาไม่ได้อาจจะเป็นคนที่มีปัญญาในความหมายที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าสหาชาติปัญญาก็ได้เพราะฉะนั้ น, นการการมองลงลึกเข้า <c oughs> ไปถึงเนื้อในเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและคนที่มองได้แท้จริงก็คือพระพุทธเจ้านอกนั้นก็อาจจะมองเห็นบ้างแต่อาจไม่แท้จริงหรืออาจมีการคาดเคลื่อนได้ ข้อนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างอันหนึ่งของประวัติพระอาหารหันต์ที่มีลักษณะเรียกว่ามีปมด้อยในทางปัญญาในชั้นนอกนะครับความจริง <c oughs> อินทรีย์ห้าเนี่ยสทาวิยะสติสมาธิปัญญามันทุกตัวและครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะได้พบพระองค์อื่นวางองค์งงเนี่ยบางองค์เนี่ยอาจจะไม่มีสมรรนะไม่มีสมรรถภาพที่จะเอาดีทางโลกไม่ไม่มีความขยนันก็มีความขี้เกียจ ซึ่งไอความขี้เกียจแม้แต่เรื่องธรรมดาธรรมดาเนี่ยยังขี้เกียจและจะไปขยันในทางการปฏิบัติธรรมนั้นได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องที่เราอาจสงสัยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้แล้วอเดี๋ยวจะไปถึงประวัติของพระองค์ที่มีลักษณะด้อยในเรื่องอินทรีย์ข้ออื่นในลําดับต่อๆไปเราเลยไปถึงองค์ที่เจ็ดสิบหกองที่เจ็ดสิบหก มีชื่อว่าปียันปียันชาหะท่านปียันชาหะนี้เป็นชาวเวสาลีคือเป็นเชื้อเ <c oughs> ชื้อเจ้าลิจวี <c oughs> แล้วก็มีความสามารถพิเศษซึ่งค่าในทางพุทธศาสนานั้นอาจจะถือว่าเป็นเรื่องไม่ได้มีคุณค่าต่เป็นเรื่องด้อยค่าได้ซ้าไป คือว่าท่านผู้นี้ก่อนบวชเนี่ยท่านเป็นนักรบที่มีความสามารถทางการรบสูงมากรบทีไรเนี่ยชนะทุกทีจนกระทั่ง <c oughs> เป็นที่ยำเกรงของพวกศัตรูว่าถ้าหากว่าท่านผู้นี้ออกบัญชาการรบแล้วละก็โอกาสที่จะเอาชนะ <c oughs> กองทัพของฝ่ายข้าศึกนั้นเป็นไปได้ยาก อันนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นลักษณะจะเรียกว่าเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากก็น่าคิดเพราะว่าคนที่มีความสามารถในทางใดๆมีเป็นอนเนกมีกุศลทางใดๆมีเป็นอนเนกแต่ว่าผู้ที่มีความสามารถในทางการลบเนี่ยก็ในบ้านเมืองไหนก็มีทางนั้นเช่นบ้านเมืองไทยเราก็มีมหาราชที่เก่งทางการลบ มาราศเช่นนีที่เก่งในการลบ ก, การลบหรือพอม่าเขาก็มีหรือประเทศลาวหรือประเทศอื่นๆทั่วโลกมีคนที่มีความสามารถทางการลบเราจะถือว่าเป็นกุศลนิบากหรือเป็นอกุศลนิบาศตรงนี้ต้องตอบว่าความสามารถอันนี้เป็นกุศลนิบากคือเกิดจากกุศ ล, ลกรรมของบุคคล อย่าเอาไปอย่าเอาคำว่ากุศลนิบากไปปนกับกิเลสใหม่นะฮะไอ้กิเลสใหม่นี่เป็นอีกอันหนึ่ง <c oughs> คือไอ้ความสามารถในทางความสามารถบางอย่างที่บุคคลได้หรือกุศลนิบากบางอย่างที่บุคบุคคลได้ที่ออกมาเป็นรูปความสามารถเนี่ยบางทีมันออกเป็นกุศลนิบาศที่เป็นเชิงรูปความสามารถที่เรียกว่าความสามารถในทางที่จะทำบาปนะ ความสามารถในทางที่จะทำบาปนี่เราพูดอย่างเป็นเรื่องของจริยธรรม <c oughs> ยกตัวยอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลก็มีครับคนที่มีความเกิดมาลูกรอมีความสามารถในทางาเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามนะฮะอย่างเช่นในเคมากะเป็นตนแล้วแกวก็ได้ใช้ความสามารถไปในทางนี้ผิดลูกเขาเมีาายใครเป็นเรียกว่าเป็นกุศลวิบาก ที่เป็นความสามารถในทางการทําบาปข้อกาเมสุเมจ่าจานบางคนนะทำขึ้นนะแล้วบางคนก็อาจจะขึ้นในทางประตูสลายนะในการประตูสลายทางนักลุ่มนักเลงเหล่านี้นะ่าถือว่าเป็นอเป็นกุศลวิบากทั้งนั้นแต่ว่ามันเป็นประโยชน์แก่ในการทําบาปผมต้องย้ําว่านี่พูดถึงค่าในทางจริยธรรม คือเราพูดกันอย่างตรงๆเนี่ยนะฮะว่าคนที่เป็นเป็นนักรบเนี่ยไม่ว่าชาติใดในโลกนี้ที่สามารถในทางการทำให้คนอื่นเขาตายได้ทีละมากๆอย่างเช่นปันตุละเสนาบดีงี่นะสามารถที่จะยิงธนู ด, ดอกเดียวทะลุคนได้เป็นสิบคนที่ยืนเรียงเข้าแถว เป็นแนวตรงเนี่ยเป็นคนที่มีกำลังมหาศาลหรือคนที่มีความสามารถเก่งในทางการพูดการทางการจูงใจคนอย่างเช่นท่านพระเทวทัตก็เหมือนกันเหล่านี้นะเป็นกุศลวิบากเพราะฉะนั้นเราจึงพูดได้ว่าคนที่ทำความดีแล้วแล้วมีความปรารถนา ความปรารถนาที่จะได้อะไรในการทำความดีนั้นและความปรารถนาที่จะได้เป็นผลสำเร็จหรือเอาความสำเร็จจากการทำความดีนั้นไปใช้ในทางใดเนี่ยไอ้ตัวนั้นแหะครับเป็นตัวที่กาหนดทิศทางของศักยภาพที่บุคคลจะเอาไปใช้ในทางไหนนะฮะมันก็มันก็ไปบวกกับความปรารถนานี่ยในผู้ที่เอาความปรารถน า, นนถ า, า, ม, า, นามันอาจจะไปบวกกับไอ้ลักษณะทางอุปนิสัย ของตัวเองหรืออาจจะไปบวกกับอากุศลวิบากทางอื่นที่มันเป็นตัวเบนทิทางให้บุคคลนั้นไปในทางนั้นทางนี้คือเอากุศลวิบากไปใช้ในทางนั้นทางนี้ข้อนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลว่าเรื่องของกุศลวิบากเนี่ยมันอาจจะมีอะไรเข้ามาทําให้ ให้ความสําเร็จทางกุศลนิบากนั้นเป็นสิ่งที่ทําลายตัวเองในภายหลังได้เ อ, อเพราะฉะนั้นเวลาคำภีร์ทางาศาสนาพูดถึงคนที่มีความสามารถในทางใดๆเนี่ยเวลาพูดในงแง่ของกุศลนิบากแล้วก็พูดอย่างหนึ่งแม้เจ้าตัวเองเนี่ยผู้ที่มีความสามารถเหล่านี้เ อ, อเวลาที่มาได้ภูมิปัญญาในทางธรรมเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่า นั่นไม่ใช่โอกาสคือเป็นการได้ไม่ดีได้ไม่ดีหมายก็ว่าเอาค่าในทางจริยธรรมเข้าไปไปเป็นตัวกำหนดตีค่าก็ว่าเป็นการได้ไม่ดีของตัวเองเป็นเรื่องที่ที่เสี่ยงมากนะครับเหมือนอย่างความสามารถขององคุรีมานก็เช่นเดียวกันความสามารถความเฉลียวฉลาดพลังกำลังเหนือมนุษย์ทั่วไปเป็นกุศลวิบากอันประเสริฐของท่านองคุลีมาน แต่กุศลนิบาตนารเสมของอริมานั้นไปบวกกับจะหลิตนิสยัยบวกกับอกุศลนิบาตของท่านข้าวก็ถูกแปลไปเสริมกิเลสและอกุศลกรรมในชั้นต่อมา <c oughs> อันนี้พูดถึงว่าท่านผู้นี้ก็ในที่แรกก็เป็นเรื่องของความสำเร็จในชีวิตครองเรือนโดยปกติวิสัยธรรมดา ก็เป็นที่ยำเกรงของศัตรูแล้วก็แน่ละครับย่อมเป็นที่อยกย่องของผู้ที่อยู่ในฝ่ายเดียวกันพวกเดียวกันแต่ว่าคนเราเนี่ยนะฮะมันก็มีไอตัวแปรของกรรมของคิเลสเขาอะไรทับซ้อนกันจริงกันไปจริงกันมาเเมื่อกี้นยะเราพูดในภาคแรกว่ากุศลวิบากกับสถานะก่อนบวช กิเลสคิงไปและท่านเองเป็นผู้ที่ได้สร้างบารมีเข้าไว้บารมีก็มาตักเตือนบุพาธิการมาตักเตือนก็หมายก็ว่ากุศลวิบาสกิเลสไม่จะช่วงชิงกันในชั้นภายนอกอย่างไรก็ตามแต่บารมีที่ได้ทำไว้นั้นเข้ามาเป็นตัวกําหนดเป็นตัวกํากับในหวนหลังทำให้ท่านได้พบพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งหนึ่งเสด็จไปที่เมืองเวสารีเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เกิดความศรัทธาศรัทธาใคร่จะฟังธรรมก่อนเมื่อฟังเมื่อเข้าไปฟังธรรมศรัทธาก็เลื่นขึ้นกลายเป็นศรัทธาคิดจะบวชสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านก็ได้ออกบวชได้สมปรารถนาบวชแล้วก็เนื่องจากว่าท่านเป็นคนกล้าเด็ดเดี่ยวท่านก็เปลีกโตัวไปอยู่ป่าประพฤติทธรรม อย่างอย่างเรียกว่าอุกฤษแล้วก็ในที่สุดก็สามารถบรรลุทำได้มีข้อความที่เป็นถ้อยคำที่ท่านกล่าวไว้ดีมากาควรจะสะดับรับฟังทุกเนื้อทอดกระทงความนะซึ่งไม่ยาวแล้วครับเป็นคำพูดในลักษณะเราจะเรียกว่า คำคมคารุบวหารคมคายน่าสดับรับฟังอย่างไรก็ลองคิดดูนะครับลองฟังดูแล้วก็ท่านจะเข้าใจยังไงลองอธิบายให้ตัวเองฟังดูก่อนท่านกล่าวว่าอันนี้เป็นคําเรียกว่าเป็นคําควบคุมตัวเองในระหว่างการปฏิบัติธรรมถ้าเป็นดีๆก็เรียกว่าเป็นคําขวัญที่ตัวเองพูดให้ตัวเองฟังตัวเองนึกให้ตัวเองได้ยิน แล้วก็เป็นคําขวัญที่นำไปสู่ความสาเร็จในการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเป็นพระรานในที่สุดได้ท่านว่าเมื่อผู้อื่นยกตนควรถ่มตนเมื่อผู้อื่นตกต่ำควรยกตนขึ้นเมื่อผู้อื่นไม่ประพฤติพรหมจรรย์ควรประพฤติพรหมจรรย์เมื่อผู้อื่นยินดีในการมาคุณ ไม่ควรยินดีในการมาคุณนี่เป็นคำกากับเราจะเห็นว่าเป็นคำไอ้ควบคุมกิเลสแถบหนึ่งด้วยกุศลจิตหรือกุศลจริ ร, จริยาอีกส่วนหนึ่งเราดูเป็นคู่กันสักหน่อยนะในตัวแรกนะเป็นเรื่องของการละมานะด้วยการถ่อมตน ที่ท่านบอกว่าเมื่อผู้อื่นยกตนคือยกตนด้วยมานะก็บอกตัวเองว่าอย่าไปยกตนตามคนอื่นที่เขายกเห็นคนอื่นอวดเห็นคนอื่นยกตนเนี่ยก็เป็นทํานองว่าใช้เป็นครูเมื่อนึกถึงคนยกตนก็นึกถึงตัวเองหรือเมื่อตัวเองจะยกตนก็นึกถึงคนยกตนว่ามีสภาพที่ไม่น่าเลื่อมใสอย่างไรไม่เป็นประโยชน์อย่างไรท่านจึงว่าเมื่อผู้อื่นยกตนควรถ่มตน ต้นนั้นเป็นเรื่องของโสรั จ, จักเมื่อผู้อื่นตกต่าควรยกตนขึ้นข้อความหลังนี้ไม่ได้มีความหมายตรงกันข้ามกับข้อความแรกเมื่อกี้ที่บอกว่าเมื่อผู้อื่นตกต่ำเนี่ยหมายถึงตกต่าลงไปในอะไรตอบว่าตกต่าลงไปในอากุศลธรรมท้งหลายเราจะต้องยกตนขึ้น ยกยกตนขึ้นจากอากูสลละธรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการยกตนจึงมีสองแบบคือยกตนให้สูงด้วยอำนาจของกูสลกับยกตนให้สูงด้วยอำนาจของมานะอย่างหนึ่งควรอย่างหนึ่งไม่ควรเมื่อผู้อื่นไม่ประพฤติพรหมจรรย์ควรประพฤติพรหมจรรย์ อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่คิดอย่างที่ชาวบ้านหรือชาวโลกโดยมากพูดชาวโลกโดยมากเนี่ยว่าเมื่อคนอื่นเขายังไม่ทำคนอื่นเขาโกงเราก็ต้องโกงบ้างคนอื่นเขาเขาโกหกเราเราต้องโกหกบ้างอะไรทนองอย่างนี้คนอื่นเขาอย่างโ น, น, อน้อยา่างนี้ที่เป็นเรื่องของความชั่วเนี่ยเราต้องทาบ้างเป็นข้อคิดหาพวกหากำลังใจหรือข้ออ้างในการทำบาป ซึ่งเคาะบาปนั้นไม่ควรอ้างอย่างนี้ควรอ้างว่าถ้าคนอื่นเขาทาบาปเราไม่ควรทําคือเอาเอาคนชั่วเป็นครูเนี่ยต้องเป็นครูด้วยอาการอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นความดีน่ะคิดไอ้ถึ้งชาวโลกก็ไม่ค่อยคิดเดียร์เวลาชาวโลกคิดบอกเออคนอื่นเขาเขาช่วยแล้วเราไม่ต้องช่วยคนอื่นก็ให้แล้วเราไม่ต้องให้คนอื่นแล้วอแม่บ้านเขาดีเขา เอาใจใส่แล้วเราไม่ต้องเอาใจใส่ปอบบาลก็เอาใจใส่แล้วเราไม่ต้องเอาใจอะไรอย่างนี้นะมันก็อ้างเป็นลักษณะที่ไม่ควรจะอ้างอย่างนั้นมนาธิการไม่เป็นก็ก็กยังว่าแหละครับโยนิโสโยนิโสมไปคกระทางเสมอแล้วก็ผู้อื่นดีๆในกาลเราไม่ควรดีในกามนี่ก็เป็นเป็นเนื้อความสุดท้ายที่ที่เรียกว่าไอ้ตรงนี้ล่ะครับที่เรียกว่าเปรียบนําตนเข้าไปอุปมาเปรียบเทียบกับคนอื่น การเปรียบเทียบระหว่างตนกับคนอื่นมีสองอย่างเปรียบเทียบอย่างหนึ่งนะเป็นการเปรียบเทียบโดยกิเลสเปรียบแล้วก็เกิดความรู้สึกในทางกิเลสอย่างนั้นอย่างนั้นอเกิดความน้อยอกน้อยใจบ้างเกิดมาน่าทิฏฐิอย่างน้นอย่างนี้บ้างแต่เปรียบเทียบด้วยกุศลจิตนั้นผลทางพฤติกรรมจะออกมาอย่างนี้ เพราะฉะนั้นในในการเปรียบเทียบกับผู้อื่นเนี่ยเปรียบเทียบอย่างชาวบ้านเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเวลาเปรียบเทียบ <c oughs> ไม่ว่าจะเด็กจะผู้ใหญ่นะเอาตัวเองเปรียบเทียบเอาคนของตัวเองเปรียบเทียบเปรียบเทียบแล้วก็เกิดความเล่าร้อนเกิดความรู้สึกในทางอากุศลแต่ละอย่างสร่พัสอย่างแล้วก็ทําให้เกิดพฤติกรรมในทางไม่ดีเพราะการเปรียบเทียบนั้นแต่ว่าในกุศลอุตส่ามภะที่เจ้าอย่างเช่น อ่าพระสูตรที่เรียกว่าอนุมาณสูตรนําผู้อื่นมาเปรียบเทียบกับตนนําตนเข้าไปเปรียบเทียบผู้อื่นเนี่ยเพื่อให้เกิดผลในทางกุศลธรรมอันนี้เป็นเป็นคําขวัญของของท่านผู้นี้เป็นคําขวัญที่ทําให้เป็นพระอราหันต์จึงถือว่าเป็นคําขวัญของพระอราหันต์ได้เร า, าพูดถึงอดีตประวัติท่านสนิทมีข้อคิดบางอย่างอยู่ คือกล่าวว่าในอดีตสมัยพระพุท ธ, ธวิปัสสีท่านผู้นี้ได้เกิดเป็นเทวดาแต่ว่าเป็นเทวดาผู้น้อยจัดเทวดามีศักดิน้อยอก็เหมือนมนุษย์มีศักดิน้อยอก็ไม่สามารถที่จะเข้าใกล้พระผู้มีพระภาคได้เหมือนอย่างเทวดามีศักดิ์ใหญ่เมื่อเป็นอย่างนี้เทวดานี้ ฉลาดฉลาดที่จะนำเอาพระพุทธเจ้าเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆความรู้สึกของตัวท่านทำอย่างไรคือเวลาท่านไปเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยจะนึกเป็นเครื่องแทนพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างเราเห็นพระพุทธรูปนี่นะแต่ว่าสมัยนั้นเห็นจะไม่มีพพุทธรูปท่านไปเช่นว่าไปเห็นทรายสีขาวก็นึกถึงพระพุทธเจ้า ว่าคุณสมบัติของทรายมีหลายประการเช่นทรายมีสีขาวสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคก็มีประทัยบริสุทธิ์เหมือนกับสีทรายทั้งหลายก็เกิดพุทธานุสติเหมือนว่าพระพุทธเจ้านั้นอยู่ใกล้หัวใจของเทวดาผู้มีสักน้อยผู้นี้ อันนี้ก็เป็นเป็นข้อที่เหมือนกับบางคนเมื่อจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีก็ละเหตุผลในทางกายภาพเสียทําในลักษณะปิดทองหลังปละนะนี่ค็ใกยๆกันไม่จําเป็นต้องเข้าไปอยู่ใ ก, กล้ๆหรือไม่จําเป็นต้องทําอย่างที่คนอื่นก็ทําเสมอไปไม่มีโอกาสทําอย่างอที่อชาวโลกเขา ปรารถนาจะทำกันก็เลี่ยงไปทำด้วยวิธีการอย่างอื่นที่ไม่ต้องไปไปขันแข่งแย่งกับใครเก่าเอาละครับไปถึงองค์ที่เจ็ดสิบเจ็ดองค์ที่สิบเจ็ดมีชื่อว่าหัตถารหะปุตตะท่านผู้นี้เป็นลูกของนายขวานช้างาซึ่งเราก็จะนึกรู้ได้ทันทีว่าพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนานั้น มาจากหลายสกุลหลายอาชีพหลายพื้นฐานความรู้ถึงว่าบางคนเป็นลูกของนายควานช้างใช้ชีวิตอยู่กับช้างถ้าเป็นอย่างเดี๋ยวนี้ก็คงจะนูลล่นแหละมาจากจังหวัดสุรินทร์แหละแต่ว่าท่านผู้นี้อยู่ที่จังหวัดสะอยู่ที่เมืองสาวัดีครับนายควานช้างเนี่ยเขาก็มีวิชาในทางช้างเขานะเขาคงจะมีความลึกซึ้งละเอียดซึ่งเราไม่ทราบเรียกว่าวิชาหัตถศิลป์ หัดหศิลหัดทศิลหัดทีแปลว่าช้างถ้าหัดขานเนแปลว่ามือหัถศิลแปลว่าศิละปะในการใช้มือคือศิละปะที่เกิดจากมือหัดทีศิลคือศิลปะในทางช้างถือเป็นศินละปะอันหนึ่ง <c oughs> ก็เกิดเป็นลูกช้างก็ล่ําเรียนวิชาหากินอยู่กับช้างกลุกคลีอยู่กับช้าง ทีนี้ว่าคนที่มีบา ร, รมีเนี่ยเวลาไปอยู่ที่ไหนทำอาชีพอะไรไอ้บา ร, รมีเนี่มันจะเป็นตัวคอยกระตุ้นเพราะนั้นเราจึงได้ข้อยืนยันว่าถ้าเราสร้างอุปนิสัยบา ร, รมีไว้ในสันดานแม้ว่าเราจะลืม อ, อ สิ่งต่างๆที่เราสั่งสมไปแล้วแต่ไอ้ความเคยชินอุปนิสัยนี่มันยังหวังใจอยู่และแม้ว่าเราจะไม่ได้พบอริยนมิตรมาคอยบอกคอยเตือนแต่ว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเป็นครูได้เราเอาเป็นครูได้ความจริงก็คือเราเป็นครูตัวเราเองบรารมีเป็นครูตัวเราเองอาศัยสิ่งเหล่านั้นที่อยู่รอบๆตัวเหตุการณ์รอบๆตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดรัจฉาหรือแม้แต่คนชั่ว คนชั่วเป็นครูเราได้เราเห็นพฤติกรรมบางคลชั่วแล้วก็นึกอย่างโยนิโสมนิการเราได้ประโยชน์ในทางจริยธรรมด้นดีซึ่งไอการนึกอย่างนี้นะจะว่าง่ายหรือยากมันก็ต้องว่าไปตามคนบางคนก็ไม่รู้จักนึกอย่าว่าแต่ไปเที่ยวนึกเอาเองอย่างณทันผูนี้นะที่ว่าเอาช้างไปลงอาบน้ําในแม่น้ํา แล้วก็ทำมาหากินอยู่ช้างจนทั่งเกิดตั้งปัญหาถามตัวเองขึ้นว่าให้เรามาฝึกช้างเนี่ยฝึกแล้วมันได้อะไรขึ้นมานะฮะฝึกแล้วได้อะไรขึ้นมาเราน่าจะสิ่งที่เราน่าจะได้นี่คือการฝึกตัวเองถ้าเราฝึกตัวเองให้เป็นทําอะไรต่างๆได้เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นหรือที่เรารู้เราปรารถนาแล้วก็พยายามฝึกเนี่ย เราน่าจะได้สิ่งที่เป็นสาระเกิดข้อคิดอย่างนี้ขึ้นมาในขณะที่ที่ฝึกจ้างเอาตรงนี้นะผมก็อยากจะเปรียบเทียบเหมือนอย่างรุ่นเราสมัยนี้ <c oughs> บางคนเนี่ยอาจจะเป็นช่างเย็บเสื้อผ้าก็เย็บเย็บจนไม่รู้กี่พันชุดแล้วเนี่ยเย็บแล้วก็ ก็มนะันคิดว่าเอ๊ไอเราเนี่ยเย็บเสื้อผ้าให้เขาใส่ตั้งเป็นพันชุดแล้วเขาใส่ไปได้ดีได้ดีเพราะไอเสื้อผ้าชุดนั้นในโอกาสต่างๆกันเนี่นก็มากมายแต่เราได้อะไรขึ้นมาบ้างอายุเราก็จนย่างเข่าปูนนี้แล้วเงินทองได้มาก็ไปจับใจใช้สอยมันหายไปไหนหมดเราก็ยังอย่างเก่ายังอย่างเก่ามาก็ว่าเรารู้สึกว่าชีวิตมันก็แค่นั้นแล้ ว, ลวมันก็จะต้อง มันก็ต้องตัดต้องเย็บไปจนกรทั่งตายแล้วก็ตายไปในลักษณะที่ไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยไอ้เสื้อผ้าที่เย็บไปมันก็เก่าแก่เสียหายภูพังไปไม่รู้กี่ชุดกี่ชุดแล้ไอ้ที่จะเย็บใหม่ก็อย่างนั้นมันไม่เห็นมีสาระอะไรนะแต่อันนี้บางคนก็คิดไอ้คาพูดอย่างนี้นะ่ะพูดแล้วบางคนก็ไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าหลายคนเนี่ยอ่าเข้าใจเข้าใจถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ พูดได้ว่าทั้งคนที่เป็นช่างบางช่างปลูกบ้านปลูปูกปลูกไปแต่แล้วตัวเองก็บางไอ้คนมากก็ไม่คิดนะแต่ว่าคนที่มีธรรมะเขาก็คิดว่าเอ๊ะเรานี่ยจะอยู่อย่างนี้ไปจนตายเลยมันได้อะไรขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรคือทั้งคนที่อยู่บ้านที่เราปลูกทั้งบ้านที่เราปลูกให้คนอยู่ทั้งเราซึ่งเป็นผู้ปลูกบ้าน ทังคู่ที่ได้รับประโยชน์จากการปลูกบ้านของเราเอาเงินเอาทองเอาผลประโยชน์ให้ไปเลี้ยงดูคอนเซนเซสมันก็ไม่มีอะไรเป็นสาระที่น่าชื่นใจก็เกิดความไอ้ความคิดอย่างเนี้มันเป็ น, เ ป, นเป็นความฉุกคิดที่ทําให้เป็นคนที่ความเพียรขยายตัวหรือยกระดับว่าเราควรจะใช้พลังความเพียรของเราเนี่ยทําอะไรทั้อย่าง ตรงนี้เราอยากยาก้ายความนิดนึงว่าบ <c oughs> ังเอิญที่ตรงนี้มีพระขี่เขียดหลายองค์เหมือนกันในประวัตินี่นะแต่ว่าจะพูดก็รู้สึกอันหนึ่งว่าไอ้ความเพียรของคนเนี่ยขยันแค่ไหนแค่ไหนแล้วเอามาช่างตวงใส่ยีโลแพ็คกล่องมันตีค่ากันไม่ได้ที่ไอ้ไอ้ไอ้ความพยายามที่เรามองเห็นค่าของความเพียรมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ว่าใช้ความเพียรนั้นทาอะไร ะไอ้อันนี้นะผมมาได้ตัวอย่างชัดเจนที่เล่าให้ฟังแล้วบางทีท่านก็จะชัดเจนมากขึ้น <c oughs> เ, เมื่ออาทิตย์ก่อนนั้นนั่งแท็กซี่ก็คุยกับเรื่องยามาแท็กซี่เขาก็กล้าเปิดเผยบอกเขาก็เคยกินเดี๋ยวนี้ก็บางทีก็ลกลกับรถไปไกลเขาก็กินแต่เขารู้จักกินกินทีละเ ล, ล็กเลี้ยงน้อยนะไม่งั้นมันมันขับไม่ไหว เม็ดนั้นต้งร้อยี่สิบเดี๋นี้ผมก็ไม่นึกว่ามันจะแพงขนาดนี้นะฮะไอ้รและบางคนกินไม่ใช่กินวันละเม็ดเดียวน่ะมันกินวันละหลายเม็ดทีนี้เขาก็บอกว่าไอ้บางลนเพื่อนเขาบางคนมันกินแล้วมันกินกินแล้วมันไม่คุ้มถามว่าไม่คุ้มไงไอ้ยาไอ้ขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยนะถ้ากินแล้วมันขับรถมันก็คุ้มใช่ไหมมันได้ก่าแรงแต่ไอ้มีอยู่คนหนึ่งเนี่ย ที่เขายกตัวอย่างให้ฟังว่าพอมันกินยามาวันละตั้งหลายเม็ดเนี่ยเสร็จแล้วมันก็ขยันเหมือนกันแต่มันขยันเจ็ดรถขับรถเสร็จมาจอดแล้วเจ็ดรถทํานู่นทนํานี่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเลย <Ừ. S 1> เห็นไหมฮว่ากินยามาแล้วขยันถ้าเอาความขยันนี้ไปทําอะไรบางอย่างที่มันมีผลตอบแทนสูงความขยันนั้นก็มีค่ามากแต่ว่าถ้าความขยันนั้น มันไปมีผลในทางอื่นเหมือนหายคนเมากัญชาขยันแล้วไปเข็นเข็นครบ ก, กลับไปกลับมากลับไปกลับมาวันย่างอับมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะฉนั้นตรงนี้นะฮะว่าความเพียนเนี่ยที่เราอยู่ในในชีวิตเราจะพบไหนญาติไหนก็ตามไกลก็ตามมันทุกคนเลยมีความขยนันไอ้ความขยันบางอย่างเนี่ยมันขยันแล้วมันทําลายตัว อย่างเช่นความขยันในทางทําบาปขยันเล่นกบบนารนพนันนี่ขยันและทําลายตัวแน่ใช่ไหมนี้ถ้าเราไปขยันขยันทําอะไรบางอย่างอย่างเช่นคนที่เขาอใช้แรงงานขยันทำโน่นทนํานี่วันอาจจะไม่มีผลอะไรมากนะักบางคนก็ขยันอย่างเมื่อเมื่อวันซื่อนี่ไปเดินตามหลังไอ้ผู้ชายหนุ่งๆคนหนึ่งมัน กระเจียดให้ถาดขายไข่หงอ่ะไข่หงอไอ้กลมแล้วก็เด้อในี่ยมึงไข่ยำซื้อมันวะเนี่ยเรก็นั่งนึกตะกดลอยตามหลังไปนะเนื้อเอยคนดหนุนกันหน่อยแล้วกันนะก็สกิลเลี่ยงบองขายอะไรมันก็บอกขายไข่ไข่อะไรมารูกนะฮะเรียกไม่ค่อยเหมือนกันบางทีก็เรียกแค่ไม่น่าพูดอ่ะถามมาลูกเท่าไหร่บอกลูกก็สองบาท ถามว่าถามว่าวันหนึ่งขายได้กี่ร้อยลูกมันบอกว่าขายได้วันสักสองร้อยลูกนะมันก็หามเดินเงี้ยสะพืดไปแล้วมันมาเดินหายขายถนาะขายแถวแถวห้างสับสินค้าโก็ น, นึกว่าใครจะมาซื้อมันกินนะเราก็สาซื้อมันสักยี่สิบลูกซื้อแล้วก็กินเองไม่เคยจะถนัด ก็เลยต้องหาถ้า ก, กินระยาว่าจะให้ใครดีไปหาเรื่องให้คนต่อไปเอาบุญสองตอเลยไอ้ น, นี่เราเราเห็นเราก็นึกเนี่ยผมเห็นเราก็นึกเออความเปลี่ยนคนเนะี่ยมันมีราคาไม่เท่ากันนะไอคนที่เขาขายเพชรขายลอยเนี่ยไม่ต้องมาแบกมาหาเมลาะ้านะขายเม็ดนิดเดียวเท่ากับมันขายทั้งปีกำไรมากกว่ากันก็มีแลแต่ เออทำไมถึงไม่เท่ากันเพราะนั้นก็เลยนึกมาถึงว่าคนทำความดีเนี่ยอย่างเช่นเราปฏิบัติกรรมาฐานเนี่ยเป็นความเพียรรุนแรงนะแต่ว่ามองข้างนอกมันไม่เห็นแต่ความเพียร น, นี้ทำแล้วมันมีผลมากเหลือเกินมีผลมีพลังสูงมากกว่าที่เราจะไปะแบกเข้าสารทาอะไรตาอะไรเนี่ย หรือไปออกแรงขุดดินเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะมันสู้กันไม่ได้เพราะฉะนั้นค่าของความเพียรแต่ละชั้นนั้นบางที่พระพุทธเจ้าถึงตรัสตำหนิคนที่ขยันทำกิจนอกเรื่องว่าเป็นคนขี้เกียจขี้เกียจ น, นะไม่ได้หมายว่าปฏิเสธว่าขณะทาไม่ขยันแต่ปฏิเสธ ความประลาลบที่เลิกทรรมกิจหลักเวียนมาสู่ทรรมกิจที่ไม่เป็นสาระหรือสาระน้อยกว่าคนที่มีความเพียรแล้วก็มีเรียกว่ามีอเจริยธรรมมันอื่นมีโดยเฉพาะมีปัญญาเนี่ยจะต้องคิดแล้วว่าเอะเราจะทำอะไรไอระหว่างสองอย่างนี้ทาอะไรดีอย่างวันนี้หลายคนก็คิดผมก็คิดว่าเย็นนี้ผมจะไปไหนดี เสร็จ แ, แล้วผมก็คิดที่จะไม่ไปบางที่แล้วก็ไปบางที่ดนเหตุผลในการตีค่าบางอย่างนะว่าเออเราไปแล้วเราจะไปให้อะไรก็ได้ใครก็จะเป็นจะตายแล้วเราไปแล้วก็จะไม่ตายเลยทีน้เราก็นั่งคิดนะนี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้คือไอเหตุการณ์มันมาประจบกันในโอกาสเดียวกันเราก็เลือกเอาอย่างเลยเล่า เรื่อความอื่นประกอบไปฟังขอผ่านเลยไปถึงว่าเมื่อท่านได้ความคิดจากการเห็นช้างแล้วก็นึกมาถึงตัวเองว่าทำอย่างนี้แล้วได้อะไรขึ้นมาจะต้องตายไปกับการทำอย่างนี้หรือเราควรจะเอาเวลาและความพยายามนี้ไปฝึกตัวเองในที่สุดท่านก็หา หาหนทางว่าท่านจะทำอะไรดีเมื่อได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคมาจำพรรษาอยู่ที่วัดประเจตวันก็เข้าไปเฝ้าเพื่อไปแสวงหาธรรมแล้วก็ได้ไปฟงัฟงธรรมฟังธรรมแล้วก็ศรัทธาเหมาะแค่ความคิดอยู่พอดีเลยทีเดียวก็ได้บวชบวชแล้วก็ลีกเล่นมาสู่การปฏิบัติเจริญวิปัสสนากวนี้เมื่อในระหว่างจเจริญวิปัสสนาเนี่ย ท่านว่าไว้ในประวัติว่าจิตของท่านนั้นมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ควบคุมได้เหมือนอย่างใจปรารถนาที่เป็นบุพเพหตุหมายความว่าตัวเองเนี่ยตั้งใจจะทำความเพียรให้มันเป็นไปดีๆนะแต่อันนี้ก็ทุกคนเป็นเรื่องธรรมดาบางคนก็อยู่ในในอำนาจได้มากบางคนก็อยู่อำนาจได้น้อย เราไปทําบุญทํากุศลหรือดีเฉพาะอย่างยิ่งไปบวชไปทํากรรมฐานเนี่ยไอ้เจตนาเราก็ปรารถนาว่าจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เอาควจริงแล้วไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้ครับทุกคนเหรอครับต่างระว่าเป็นมากเป็นน้อยนี่ท่านผู้นี้เองท่านก็พอไปบวชปฏิบัติกรรมฐานแล้วมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยครับเรื่องใหญ่มันไม่ง่ายเหมือนการฝึกช้างซะแล้ว กลายเป็นว่าทําไปทํามาใจของท่านน่ยกลายเป็นช้างป่าที่กําลังนําเข้ามาสู่ที่ฝึกใหม่ๆ ม, มันไม่ยอมฟังความตั้งใจของตัวเองความตั้งใจเดิมท่านก็คิดว่าเอ๊ะนี่เราช้างเราก็ฝึกได้แล้วเราก็เห็นว่าไอ้ประโยชน์การฝึกช้างเนี่ยมันน้อยใจของเราเนี่ยกลับฝึกได้ยากกว่าช้าง เวลาเราฝึกช้างเราใช้ขอสับนะท่านก็คิดดังท่านนะและใจของเรานี่เราจะใช้อะไรเป็นขอสับท่านก็คนฝ่ายเลยก็แลกคําตอบนั่นเองท่านบอกว่าใช้การกําหนดนะใช้การกําหนดการกําหนดรู้นี่แหละจะเป็นขอสั์รู้เท่าทัานเหมือนเวลาเราฝึกช้างเนี่ยเราใช้ขอสั์คอยดูจังหวะคอยดูพฤติกรรมว่ามันจะไปทางไหนทำอะไรรู้ธรรมชาติหรือยัง ถ้าลองได้รู้แล้วก็ไปนันงนบังคับมันได้ใจของเรานี่จะต้องสับมันด้วยการกำหนดกาหนดรู้ซึ่งมันก็จริงะนะว่เาเราเราอ่านเรื่องของท่านแล้วมานั่งนึกว่าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่ทำให้อากูศลจิตหรือใจที่กำลังฝึก กระวนกระวายเล่าร้อนเนี่ยคือการกําหนดรู้การรู้เท่าทันนะฮเราจะรู้สึกว่ามันร้อนจริงๆถ้าเราไม่รู้เท่าดันเนี่ยมันสบายแต่ว่าถ้าเรารู้เท่าทันคอยกําหนดรู้ว่านี่มันอะไรอะไรตามความเป็นจริง<ม>เท่านั้นแหละไม่ต้องทําอะไรมากใช้สติธรรมเจริญญา ก, กำหนดรู้อย่างนี้มันจะเล่าร้อนแต่ความเล่าร้อนของมันในที่สุดมันจะอ่อนล้า แล้วก็กลายเป็นเชื่องเชื่องเชื่องที่ลรน้อยเดียน้อยจนอยู่ในอำนาจของเราได้คืออยู่หน้านของสติสมรมจัญญะได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรื่องของคนเคยเลี้ยงช้างนะฮะก็ยอมจะนึกอะไรได้ชัดเจนกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่คุ้นอยู่นี่เป็นหลักครับสิ่งที่ท่านได้ข้อคิด แล้วก็กล่าวมาเป็นถ้อยคำว่าแต่ก่อนนี้จิตนี้เคยจาริกไปในอารมณ์ต่างๆตามความปรารถนาตามต้องการตามความสบายวันนี้เราจะข่มจิตนั้นโดยอุบายอันชอบเหมือนในควานช้างผู้ฉลาดคมขี่ช้างผู้ซับมันไว้ได้ด้วยขอฉะนนั้นนี่ก็ เป็นข้อคิดจากชีวิตและงานในอดีตของท่านเอาเข้ามาเกี่ยวข้องกับธรรมะคือคนที่เคยทําการอะไรมาก่อนในอดีตเนี่ยเวลาเข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมมันจะต้องเข้ามาเกี่ยวทุกคนแล้วก็ชีวิตพระหรลานเนี่ยมีสองแบบเหมือนกับเราไม่ผิดเวลานึกเอาเข้ามาเกี่ยวเนี่ยมีสองแบบแบบหนึ่งคือนึกเอามาเข้ามาเกี่ยวอย่างเป็นประโยชน์ได้สติปัญญาได้ วิธีการได้อะไรต่างๆนะเกี่ยวกับการทำใจอีกอย่างหนึ่งคือเอาเข้ามาเกี่ยวแบบเป็นประโยชน์แก่กิเลสเช่นคนที่เคยเป็นนักฟอนพระอดีตเคยเป็นนักฟอนพอเข้ามาบวชก็แล้วก็ เ, เอาเรื่องอรเรื่องชีวิตในทางนาตกรรมมรรสมเนี่ยเอามาเข้ามาเกี่ยวนะฮะ คนที่ทําอะไรอะไรเนี่ยก็เข้ามาเกี่ยวผมนราเคยฟังพระบางองนะฮะนี่นานมาแล้วพระองค์นี้ท่านตอนนั้นท่านเป็นนิสิตจิตตภาวันผมถวายความรู้ท่านท่านก็เอามาสา ร, รภาพเล่าขออภัยที่เล่าเรื่องมันเป็นตัวยอย่างชัดแล้วก็มันค่อนข้างจะ เ, เป็นอาชีพที่ที่ ไม่เคยไม่เคยได้ยินจากท่านผู้อื่นนะนีน่ีพูดถึงว่าชีวิตละองหนึ่งผมจําชื่อท่านไม่ได้แล้วท่านบอกว่ า, เ, าเมื่อก่อนเนี่ยท่านมีอาชีพประเภทตากล้องนะฮะถ่ายรูปอะไรทั้งๆในวิศจัรนั้นท่านท่านคลุกคลีมาม า, มากจนกระทั่งตอนหลังท่านมาบวชพอมาบวชแล้วเนี่ยมันตามมาถึงวัดนะ่ะ ตามไม่ได้ว่าอะไรตามตั้งวัตถุตามมามันตามมาในหัวใจตามมาเป็นอุปสรรคชวนกระซิบจะให้กลับชวนกระซิบจะให้นอกรูนอกทางข่มมันด้วยความยากลําบากเอาชนะด้วยความยากลําบากมากก็ก็กูกุโถนทนากันนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นยังไงบ้างไหมจ๊ะ ผมไม่ได้จำว่าท่านเป็นใครยังไงก็เล่าแล้วก็คุยกันแล้วก็จบกันไปแม้แต่คนที่เป็นผู้ไม่ได้บวชก็ยังมีตัวอย่างเป็นลักษณะอย่างนี้ด้วยที่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอุบาสกคนหนึ่งเนี่ยนะถึงเล่าถึงไอ้อุปสรรคที่เกิดจากสิ่งที่ตัวเองทําไว้ไปได้ตรงนี้แหละครับที่มันเป็นเรื่องที่จะยื้อกันไปในทางไหนถ้าหากว่า ตัวเองอ่อนข้อให้เดียวเนี่ยบางทีมันจะยื้อลงต่ำเลยยื้อไปไหนก็ไม่ทราบเลยแต่ว่าถ้าตัวเองตั้งมติการดีวางจิตเป็นคิดเป็นเนี่ยถ้าคนเอาชนะมันได้ก็ได้พลังสูงมังกลายเป็นภูมิต้านทานแอเป็นแรงต้านที่ตัวเองเอาชนะได้เนี่ยแล้วก็ถ้าคนพวกนี้เอาชนะไอสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แล้วลราก็ รับรองได้เลยว่าจากนั้นไปเนี่ยจะสมบุกสมบันไดกับอนิสาลมต่างๆที่เป็นวิศวาค้าแต่ธรรมะในเรื่องเลี้ยงช้างนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่อย่างที่เราเคยพูดถึงบางองค์บางท่านที่แค่เคยเป็นชาวนามีจอบมีเสียมแล้วก็เอาไปซุกซ่อนไว้แล้วมาบวชเป็นบริภอดติดกังวลแล้วตัวเองมัธยกาไม่เป็นถึงก็ศึกษาลาเปิออกไป ถึงจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยรรมรีิการใหม่ในที่สุดก็รู้ว่าไอ้ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรยังไงก็ตัดใจเอาไปโยนทิ้งม่น้ำเสีย่ยจึงไม่ต้องสกหาราพีตออกไปเนี่ยแค่ของดูธรรมดาธรรมดาไม่มีค่าอะไรสาหรับบุคคลทั้งหลายที่มีประสบการณ์อย่างเราเนี่ยนะฮะ แต่สำหรับบางคนนะั้นก็กลายเป็นเรื่องหนักหนาะสาหัสเลยไปถึงองค์ที่เจ็ดสิบแปดองค์ที่เจ็ดสิบแปดชื่อว่าเมนทะศิระจริงๆออกเสียงไอ้ตัวตอมโทนี่จะ อ, ออกเสียงดอเมนดาศิระไอ้เมนดาเนี่ยแปลว่าแก่ศ <c oughs> ิละแปลว่าหัวก็แปลว่าพระหัวแก่ <c oughs> แต่นี่เป็นชื่อที่เขาเรียก กลายเป็นชื่อตัวไปซะเลยในที่สุดเพราะว่าบุคลิกท่านมีอันประหลาดอย่างหนึ่งว่าเป็นคนที่มีลักษณะหัวเหมือนแกะเขาก็เลยเรียกว่านายเมนทะศิระมาเป็นลาก็เลยเรียกอย่างนั้นคือมีหัวเหมือนแกะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องบุคลิกของคนซึ่งอาจจะมีจมูกมีตามี วัยวาส่วนนั้นส่วนนี้ไปเหมือนกับสัตว์นั้นสัตว์นี้ก็ได้แม้แต่ภูเขายังมีรูปร่างเหมือนหัวแรงบ้างเหมือนอย่างอื่นบ้างก็ยังมีอันนี้ก็ไม่ได้เป็นสาระอะไรหรอกครับท่านเป็นชาวเมืองสาเกตซึ่งอยู่ในแก้นโกลสนนะเกิดในสกูลพ่อค้าครือหาบทอาชีวิตนั้นไม่มีอะไรแปลกเหมือนกับทีสาของท่านหรอกครับ ก็เราอ่าได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่ป่าอัญชนาวันที่เมืองสาเกตเมื่อเสด็จไปประทับอยู่ที่นั่นก็ไปฟังธรรมแล้วก็ศรัทธาบวชอย่างเงี่ยเมียบบวชแล้วก็เจริญสมถาวิปัสนาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ชนิดวิชาหกอรหันต์วิชา6ก็นับว่าเป็นอรหันต์ชั้นดีองค์หนึ่งชีวิตท่านมีทนีครับ เลยไปถึงองค์ที่เจ็ดสิบเก้าองค์ที่เจ็ดสิบเก้าชื่อว่าท่านรักขิตะท่านรักขิตะนั้นเป็นเจ้าสากยะพระองค์หนึ่งแต่ว่าเกิดในเทวทหานิคมซึ่งท่านผู้นี้ได้บวช ถวายเป็นบริวารพระพุทธเจ้านะเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จเยี่ยมพระญาติมีพวกราชกุมารสักยะเนี่ยได้บวชคล้ายๆบวชเป็นทํานองเรียกว่าบวชถวายตัวบวชเป็นบริวารไปอยู่กับพุทธเจ้าเหมือนกับเราเรามีพระ ที่เป็นลูกเป็นหลานไปบวชแล้วก็ได้เจริญในพระพุทธศาสนาแล้วก็พ uh huh. วกญาติพี่น้องเนี่ยบางทีก็เอาลูกเอาหลานนะ่ไปบวชให้อยู่ด้วยคอยรับใช้อ่าคือมุ่งไปในทางนั้นไปอยู่เป็นบริษัทบริวารเพื่อขวนขวายในกิจอะไรของท่านคือเรียกว่าอบวชถวายให้ไปอยู่ด้วยความเคารพด้วยความศรัทธา เ, เป็นลักษณะอย่างนั้น แต่ว่าเขาก็จริงก็บวชแล้วก็ได้ประโยชน์กันเป็นส่วนมาก <c oughs> นี่เมื่อท่านไปบวชชีวิตของท่านค่อนข้างจะราบเรียบอีกนะครับคือหลายองค์เนี่ยบวชแล้วก็นื่องจากว่าเป็นพวกคนรุ่นหนุ่มก็ว่าถูกกิเลสครอบงำราคะครอบงาแต่ว่าท่านผูน้นี้ท่านเข้าใจสร้างความสังเวช เข้าใจสร้างมนุิการที่เรียกว่านึกถึงอะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศตรงข้ามเนี่ยเป็นเรียกว่ามองในแง่ลบในแง่ลบไม่ใช่มองด้วยอำนาจความชิงชังแต่มองในแง่ลบเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความสลดสังเวตการมองในแง่ดีเนี่ย ก็เอาดีก็ได้เอาชั่วจากการมองแง่ดีก็ได้แล้วแต่ใครมาสิการนะไหนการมองในแง่ร้ายมองเอาเอาดีก็ได้มองเอาชั่วก็ได้ในวิธีทางาศาสนาให้มองในแง่ดีและแง่ร้ายแบบเอาประโยชน์ให้ได้เขียนว่ามองในแง่ดีว่าเออเขาประสบความสำเร็จเรายินดีด้วยเป็นแบบอย่างได้ชื่นชมใน บุญกุศล อ, อ, อะไร แ, แต่ละจะคิดนั่นเรียกว่ามองในแง่ดีแล้วก็เอาความรู้สึกดีจากความดีของเขาได้มากบางน้อยบางต่างกันมองในแง่ดีได้ความรู้สึกไม่ดีก็อิจาริษยาหรือออิจฉาริษยาก็แล้วก็มากแก่แปลความไปหาเหตุแบบอันตรธานว่าเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้เลยไม่ถูกเหตุถูกผลนึกว่า เขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เป็นการมองหาเหตุผิดเขากอไปนั้นว่าท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์โดยไม่ยากไม่ลำบากสำหรับท่านผุ้นี้นะะองค์ที่แปดสิบผมย้อนไปนิดหนึ่งเมื่อกี้นะ เ, เพื่อให้ข้อสังเกตไม่ยากอะไรแล้วเรื่องแล้วเราจบแล้วคือคนปฏิบัติธรรมเนี่ย อเวลากรรมและกิเลสมันเข้ามาแล้วกวนเนี่ยมันจะมีหลายกระแสนะแต่ว่ามันมีกระแสหนึ่งเรียกว่ากิเลสตามวัยกิเลสตามไวัเนี่ยถ้าเป็นคนรุ่นเด็กเนี่ยอย่างคนฝึกกรรมฐานเด็กเนี่ยจะมีกิเลสตามไวัตามวัยแล้วก็ตามไอ้ภารกิจอะไรเนี่ยมันเกี่ยวเกีับวัยที่กถามเพราอมาคนรุ่นหนุ่มถึงคนรุ่นสูงสูงขึ้นไปรุ่นทํางาน แล้วเขารุ่นแก่ชราแล้วมันมันมีความต่างกันในลักษณะเป็นส่วนใหญ่นะเพราะนั้นอย่างคนรุ่นหนุ่มเนี้ยถ้าคนไหนควบคุมไอ้กิเลสของคนรุ่นหนุ่มได้โอกาสที่จะเรียบร้อยในทางปฏิบัติธรรมก็เป็นไปได้ง่ายทีนี้ยังเด็กเนี่ยเราผมก็ไม่ได้สอนโดยตรงแต่ว่าก็มีพวกเราที่ทำงานงานเรื่องการอบรมบรณฑ์เด็กอยู่แล้วก็ ได้ไปพูดคุยแก้ไขปรับปรุงอะไรกันเป็นระยะระยะมาเราก็เลยได้ข้อมูลเห็นว่าเออเด็กเนี่ยนะเด็กเนี่หมายว่าเด็กกว่าเรานะให้เขาก็อาจจะอายุถึงย5ห้าแล้วก็มีจบปริญญาสูงๆก็มีอายุสิบห้าก็มีเราจะเห็นไอ้จุดรวงกันเลยว่าคิดแบบเด็กเนี่ยมีนะฮะเช่นว่าการแข่งขันกันเนี้ยนะ มีเลยผมเลยบอกว่าเวลาสอบอารมณ์สําหรับเด็กเนี่ยขอให้เรียกมาทีละคนนะม่อย่าให้คนอื่นเข้ามาพอเข้ามาแล้วมันคิดไงไอคนนึงอาจารย์สอบคนนี้ได้อย่างงี้มันเอาไปคิดไปแปลแปลแรงมันนะแล้วก็อันหนึ่งคือมันคิดจะแข่งมันคิดจะแข่งแต่เด็กเนี่ยมันชอบมันชอบดาวมาตาั้งแต่สังสมม า, านนะ เวลาคอาจารย์โจมอาจารย์ให้ดาวมันมีความภูมิใจแล้วก็บางทีนะมันถึงเลยเถิดอย่างเรื่องหนึ่งที่บอกเลยว่าอย่างเรื่องยานนี่อย่าได้เทศให้เด็กฟังอย่าไปบรรยายในห้องอบรมเด็กเด็กการอย่าไม่งั้นแล้วก็มันคิดนะมันคิดมันนึกว่าไอเรื่องยานเนี่ยมันเหมือนกับไอเรื่องตำราตํารานั่งไอที่มาเรียนมันก็คิดว่าเออมันได้มันได้ยานไหนลองฟังนั้ะแล้วมันกพยายามคิดแบบ ให้เป็นจริงเป็นจังก็ตามภาษาเด็กเราก็ต้องาใจนะเอาเป็นจริงเป็นจังแล้วก็กลายเป็นเรื่องก่อให้เกิดผลเสียหายขึ้นในตอนหลังเป็นอันมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําหรับเด็กแล้วอย่าได้พูดเป็นอังขาดเลยเรื่องยานเนี่ยพูดแล้วเด็กเขาจะเอาไปคิดเอาไปเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เป็นจริงเป็นจัง ยิ่งกว่าผู้ใหญ่เราหลายเท่าตัวถ้ายิ่งไปบอกโห oh, ได้วิปัสสนาญาณแล้วนะได้ยินคําว่านธ์นิพพานเลยเอาหมดกลายเป็นเรื่องของเล่นไปเลยนะนี่เรียกว่าเด็กคู่ของเล่นอะ่ะเอาธรรมะไปเป็นของเล่นซึ่งกลา ย, ลายมาเป็นเรื่องเล่นเล่นในวัดอันนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้อง ระวังอย่างละเอียดเอขอเลยไปถึงองค์แปดสิบเมื่อกี้นะที่ชื่อว่าท่านอุกคะท่านอุกคานั้นเป็นลูกเศรษฐีในอุคคนิคมซึ่งอยู่ในแคว้นโกสม์นะก็ได้ไปฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงเมื่อทรงเสด็จไปประทับอยู่ที่พัทธารามซึ่งเป็นอารามนะะเป็นวัดอยู่ในนิคมนี้ ก็ไม่รู้ว่าวัดนี้อยู่ที่ไหนยังไงแล้วในบัดนี้แต่ในคำพีพูดถึงวัดทาราวัดนี้ว่าพัทธารามอยู่ในอุกขณิคมเนี่ยเมื่อไปฟังธรรมแล้วก็ศรัทธาบวชบวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระหลานไม่นานนี่ก็สำเร็จไปโดยง่ายๆอีกรูปหนึ่งครับชีวิตไม่มีอะไรเป็นเรื่องโลโผลองค์ที่แปดสิบเอ็ดชื่อว่าสมมีติ อุทะองค์นี้ชีวิตค่อนข้างจะโลดโผนมากเกือบจะเรียกได้ว่าที่สุดของที่ใจพูดมาแล้ววันนี้ท่านสมิติคุตตะนี่ก็เป็นลูกพราหมณ์ชาวบ้านคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองสาวัถีไอชีวิตเบื้องต้นก็เรียบร้อยดยวีว่าฟังทมที่แสดงโดยพระพุทธเจ้า ที่พระเจตวันเรื่มใสบวดบทแล้วก็เป็นพระดีอยู่ในศีลาชาละาสีนบริสุทธ์ดีแล้วก็ดีไปอยู่สักพักหนึ่งในเรื่องศีลเกิดมีเหตุร<ม>้ายเกิดขึ้นกับท่านคือท่านเป็นโรคผิวหนังปรากฏซึ่งไม่เคยมีวิแววมาก่อนเลย เียวกว่าเป็นโลกเรือนที่โบราณว่าเป็นโลกกรรมเนี่ยเรื่องของท่านก็เกิดขึ้นจากกรรมจริงๆแล้วโลกนั้นกมเริบขึ้นโดยลำดับกายแตกเป็นริ้วแตกเป็นริ้วๆนะ เ, เราคงว่านผ้าบอกแล้วต่อมาแผลกลายเป็นหนองเลือดก็ไหลเยิม้มเป็นอาจิน เดี๋ยวตรงนี้หมดเดี๋ยวตรงนี้เยิม่มเดี๋ยวตรงนี้จะข่อยอย่างทุเลาเดี๋ยวตรงนี้เริ่มแตกจนกระทั่งท่านไม่อาจที่จะอยู่ในกุฏิของท่านได้ก็พาไปพักที่อาพาธสาลาคือหมายถึง <c oughs> สาลาสำหรับพิสุอาพาธเหมือนเป็นโรงพยาบาลในวัดนั่นแหละ ก็ไปอยู่ที่นั่นปากหลักอยู่ที่นั่นเหมือนกับพระองคอื่นที่เจ็บแค่ได้ป่วยก็เขาก็ออกบ้าง อ, อ, อ, อยู่นานบ้างเลี้ยวบ้างขณะนี้พระที่อยู่ในศาลาในวัดครั้งพระพุทธเจ้านี่ก็โชคดีโชคดีอันหนึ่งก็คือว่าบางทีเพื่อนพระเนี่ยต่อจริงแต่ว่าพระพุทธเจ้าหรือพระเทระองค์สําคัญสำคัญเนี่ย ท่านมักจะแวะเวียนไปเยี่ยมแล้วก็ของเยี่ยมที่ท่านนำไปเยี่ยมก็คือคืออะไรธรรมะเอาธรรมะไปเยี่ยมไปแสดงธรรมอ่าก็ได้ผลทางกำลังใจแกผู้ป่วยแล้ววันนั้นก็สารีบุตรไปเยี่ยมแล้วผู้ป่วยคนอื่นแล้วก็มุ่งมาสู่ละกุณเจ้ารูปนี้ซึ่งป่วยหนัก เป็นอันมากไม่กล้าพูดกากับเพื่อนเพราะว่าในทีน่น่าอาจจะมีคนป่วยมากๆก็ได้นี่คนป่วยมากๆเนี่ยเก็มีอยู่สองประเภทนะะประเภทหนึ่งคือป่วยมากแล้วก็ไม่มีอุปนิสัยอีกประเภทหนึ่งป่วยมากแต่มีอุปนิสัยคนป่วยประเภทนี้แหละเรียกว่าคนป่วยแล้วมีบุญนะแล้วนี่มันยิ่งก็มีบุญ จะมีคนไปหาและไปช่วยแก้ไขพูดถึงว่าถ้าไม่หายเนี่ยก็แก้ไขได้ทังอื่นเราลองคิดดูนะอย่างตั้นในพูดถึงองค์อื่นก่อนที่เรารู้จักที่เราเห็นเป็นภาพสั ญ, ญลักษณ์เวลาเขาสร้างโรงพยาบาลสงไม่ว่าที่ไหนแล้ครับก็จะปั้นเป็นรูป เป็นรูปพระพุทธเจ้าประคองพระองค์หนึ่งใช่ไหมเคยเห็นไหมเขียนเป็นรูปก็มีที่ว่ามากก็มีเมืองไทยแล้วก็มีคือพระติดสะผู้มีกายเนา่าปกติคนที่มีร่างกายเน่าเฟะอย่างเงี้ยจะไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะมาอยู่ในสายพระเนตรของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย บุญคุ้มบุญคุ้มตาไม่ต้องให้มหาดเล็กมาเที่ยวดูแลทีเดี๋ยวนี่เรียกว่าเคลียร์พื้นที่ก่อนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีบุญจะเสด็จไปเงี้ยนะแต่บุญจะเป็นผู้ดูแลทำให้เกิดการคาดแคล้วที่ได้เห็นภาพที่มันอุจจารแต่เว้นอยู่ประเภทเดียว คือคนที่มีบุญอันนี้นะเหมือนกับว่าให้ผ้าบูจานั้นบุญเข้ามาทำให้ทุเราหรือทำให้เป็นดีไงทำให้เป็นดีเพราะว่าคนจำนวนคนเข้ามาคนอเอายกตัวอย่างนี้ว่าเราไปเยี่ยมคนป่วยหนักแต่ว่าคนนีนะ้เป็นคนสำคัญมาก แม้แต่กำลังป่วยหนักยังไม่มีโอกาสจะได้เยี่ยมเลยบางองนะนี่มีพระองค์หนึ่งมาเล่าแล้วว่าพระองค์นี้มีมีอานุภาพมีคนนับถือมากเป็นหมื่นแะมีชื่อเสียงมากแล้วก็มาก็นึกว่าจะไปไปเยี่ยมสมเดจยาก็มีผู้อาชามรรมาจาให้เข้าเฝ้าท่านก็ปรารถนาจะไแผ่เมตตาให้อะไรเงี้ยนะ แล้วก็ไม่มีโอกาสเก่าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสไปไปเข้าเฝ้ากันอย่างนี้เป็นบุญของใครหรือไม่บุญของใครน้อยกว่าใครนะนี่ไม่พิจารณามันกรณีของนางป a t r าจารา a เงี้ยซึ่งสภาพอย่างนั้นปกติแล้วไม่มีสิทธิ์ที่มาอยู่ในคลองสายพระเนตรพระพุทธเจ้านึกได้ใช่ไหมเรื่องนางป a t r าจาราพระ ปุติคตาเจสาโหเป็นรุนแรงกว่าพระองค์นี้มากปกติไม่มีสิทธิ์จะอยู่ในสายพเนตรปุตจาแต่เพราะว่ามีบุญมีอินทรีย์นั่นเป็นอิสารลมเข้ามาเคลือบจะทำนองเข้ามาเคลือบเพราะผู้มีอาภาคก็ทรงหน่วงเอาอินทรียาศัย ในสันดานของบุคคลทั้งสองนี้เป็นอารมณ์ก็เสด็จไปหรือเขาเสด็จเขามาอย่างท่านปูติก็ท่านเสด็จไปแล้วก็ไปเยียวยาแก้ไขปฐมพยาบาลแสดงธรรมรรลุปเป็นพระราหานั่นนี่เขาเรียกว่าคนป่วยประเภทที่มีบุญมีบารมีก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในคลองของคน ที่มีอภินิหารมากทีนี้พูดถึงว่าท่านบุนี้ภาษาลีบุตรไปท่านก็ไปให้วิปัสสนาให้ให้สติปัฐานให้ปฏิบัติเวทนานหรือวปัสนาสติประฐานให้กำหนดเวทนานโดยท่านแสดง <c oughs> เป็นกรรมฐานโดยความสรุปว่าเรามีร่างกาย ร่างกายของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของเวทนาทั้งหลายมีทุกขเวทนาเป็นต้นเมื่อเหตุปัจจัยที่จะทำให้ทุกขเวทนาปรากฏในสลีลานี้ทุกขเวทนาก็ปรากฏเมื่อเหตุปัจจัยที่จะทำให้ทุกขเวทนาเกิดแก่กายนี้เวสุขเวทนาก็ปรากฏดันั้นท่านพึงกำหนดดูเวทนา โดยไม่สำคัญหมายว่ากายนี้เป็นของเราเวทนาก็ไม่จะเป็นของเราท่านก็กำหนดดูกาหนดรู้ <c oughs> คือโดยธรรมดาว่าคน <c oughs> เวลาจเจริญธรรมเนี่ยถ้าอยู่ใกล้กับกัลยาณมิตรนะที่เขาโดยธรรมดาเนี่ยยิ่งกัลยาณมิตรที่เขามีความสามารถที่จะให้อารมณ์ มีความสามารถทังกิษเนี่ยกรรมฐานจะมั่นคงทุกคนแหละครับมั่นคงตามเกณฑ์ของตัวเองนะดีกว่าไปนั่งทำเองดัง <c oughs> มือชั้นพระส리บุตรเนี่ยท่านก็สามารถที่จะทำให้สติสัมมชัญญะของ <c oughs> พิสูรรูปนั้นมั่นคงแล้วก็เป็นไปในพระกรรมฐานได้ ก็จึงเป็นเหตุทําให้ท่านบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ด้วยการกําหนดเวทนาที่เป็นเวทนาเกิดจากกายกิจทุกขเวทนาอันมีโรค <c oughs> กุศลถังเป็นสมุดฐานอยู่นั่นเองนี่แหละครับที่เป็นตัวอย่างชี้ชัดได้ว่า <c oughs> โรค ก, กุศลถังก็ดีทุกเวทนาที่เกิดขึ้นก็ดีเป็นอากุศลที่บาก เมื่ อ, อกุศลนี้บากปรากฏถ้าคนไม่ทําธรรมะไม่เอากุศลเข้าสู่มันก็ขาดทุนแล้วขาดทุนอีกคือใช้กรรมเก่าสร้างกรรมใหม่นะะสร้างกรรมใหม่กรรมห็หมายความว่าเกิดความเสียใจน้อยเนื้อลาใจก็ดีโทมนัสพยายามทําร้ายตัวเองก็ดี <c oughs> อ่าหรือเกิดอกุศลอื่นอื่นๆ เข้ามากลุ่มหลุมก็ดีแล้วก็บางทีก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะไม่อกุศลนิบาตุอื่นเข้ามาสืบต่อเช่นว่าทีแรกก็ป่วยแค่กายหนักเข้ากับใจวิปราสกลายเป็นคนบ้าไปเลยอกุศลนิบาตก็เข้ามาสืบต่ออย่างนี้นะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอกุศลโดยเฉพาะอกุศลขั้นเบวนาเข้าไปสู้เนี่ยให้พูดเนนี้มันง่ายนะแต่ว่าถ้าจะทำให้ได้เนี่ย คนที่จะท้าให้อารมณ์เขาต้องเข้าไปใกล้ชิดแล้วมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงกว่าให้เจ้าตัวเขาไปพยายามทําเอง <c oughs> เป็นว่าถ้าเราทําได้เนี่ยก็จะอย่างกรณีของพระองค์เนี่ยว่าอากูศลวิบาสที่ท่านได้นั้นท่านเอามาเป็นพูดเป็นตำหนิหน่อยเรามาเป็นปุ๋ยเพราะปุ๋ยเพราะ เมตพันธ์แห่งอรหัตมรรคอรหัตผลนะบรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยอกุศลวิบากที่ปรากฏในประวัติไม่ได้เล่าว่าโลกหายหรือไม่หายแต่ว่าจะหายหรือไม่หายมีได้ทั้งสองอย่างบางคนบรรลุแล้วเนี่ยอากุศลวิบากสักโดนส ก, กัดเลยชะงักเลยนะตาบอดก็หายบอดนี่นะ <c oughs> เป็นแผลก็หายแผล ขายหักขายหักขายหายขายหักมันอาจจะเลยเชื่อหน่อยนะแต่ว่าโดยทางหลักและประวัติของคนทำไมก่อนเป็นอย่างนี้เป็นโรคอะไรอยู่หายโรคนั่นก็มีเดี๋ยวนี้ก็พอมีบ้าง<ฮ>บางคนโรคไม่หายนะฮะคืออกุศลนิบาญังอยู่แต่ว่าอากุศลนิบาญแม้ยังอยู่เนี่ยมันก็ไม่ ไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมล่ะเพราะว่ากิเลสมันหมดแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรแล้วและพวกนี้นะ่ะเอาเข้าจริงแล้วมักจะมีกุศลวิบากส่วนอื่นเข้ามาชดเชยนี่พูดถึงว่าถ้ า, ากุศลนั้นไม่หายนะเอากุศลวิบากส่วนนึงมาชดเชยมันเหมือนกับเอาอย่างเราเนี่ยพูดถึงอย่างเราเนี่อันนี้ถือเป็นหลักความจริงสําหรับทุกคนเลยคนปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยนะ่ะพอได้ผลเนี่ย ไอ้บางคนมีโรคประจําตัวก็ไม่ได้หายบางคนอาจจะมีอะไรเป็นอกุศลนิบาศบางอย่างอยู่ก็ไม่ได้หายเขากงไปก็กงไปไม่ได้คืนอย่างนี้นะไอ้ได้คืนก็มีตีนี้ ว, ว่าพวกไม่ได้คืนแต่สิ่งที่เขาจะได้คือกุศลวิบาส่วนอื่นจะเข้ามาชดเชยเข้ามาชดเชยก็คือว่าเขากลับไปได้ความสําเร็จอั น, นอื่นอื่น ที่เข้ามาชดเชยด้วยประการต่างๆคนยุคเราเดี๋ยวนี้ไม่อุทาหรณ์กันมากแต่ใครที่ทำกรรมฐานนั้นปัญหาเก่าแก้ไม่ตกแต่ได้ชดเชยทุกทีแล้วบางทีไอ้พิ่งชดเชยเนี่ยมันกลายเป็นว่าดีกว่าตัวจะไปไปแก้ปัญหาแล้วก็คล้ายๆว่าไปเหมือนไปแก้แก้โทรทัตนแล้วเทรทัดนเก่ามาใช้ใหม่มันได้ทรรัศนเครื่องใหม่ดีกว่าเครื่องเก่าไง มันเป็นอย่างนี้หลายคนนะเพราะฉะนั้นอากุณสนิบากเราเนี่ยบางทีเราต้องมองทางหนีที่ไร่มันไมเป็นอย่าไปนึกว่าเราเนี่ยเอาอปาทานเราเป็นตัวคาดหมายว่าเราเนี่ยทําอย่างนี้จะต้องเอาอันนี้ให้ได้ให้ได้ไ ด, ได้ไม่จําเป็นนะครับมันอาจจะได้ของใหม่มาเช่นว่าไปเขากู้งี้กู้นี่สมุตินะเขาโกงไปล้านไปทํำปาทานเพื่อทวงเงินคืน เอ๊ะทำแล้วก็ไม่ได้เข้าไม่มาคืนพอกลับมาบ้านปรากฏว่าธุรกิจตัวเองได้กำไรสองล้านไม่อยากจะพูดเราไปดูหวยไม่ดีธุรกิจได้กำไรสองล้านเอาเียนามันก็แปลว่ามันได้เจดเจยแลย้วทีนี้คนเราหลายคนในหะ้มันเสียท่าตรงทีว่าไอ้กิเลสเนะ่ยมันฝังใจไม่เลิก มันเหมือนกับว่าเออไม่เป็นไรเนี่ยนะเขาปลอบใจว่าเออเขาไม่เป็นไรนะเงินเงินคุณหายไปร้อยไม่เป็นไรนะเอาชนะง่าห้าร้อยมันเอามาห้าร้อยมันดีใจไม่ยังไม่เลิกเสียดายเงินลอยเสียดายไม่เลิกทั้งที่ว่ามันบวกลบลบหายไปแล้วคนเล่าไปอย่างเงี้ยเยอะนะบางทีไม่ชี้ไม่ตะกิดไม่รู้อะบอกเนี่คุณเนี่ยคุณได้ชดเชยมาคุณไม่รู้เองอะ่ะคุณ ถ้าอย่างงั้นลราคุณได้อีกเท่าไรเท่าไรคุณก็ไม่พอคุณก็ตัดใจไอท้ที่ไอ้เนีเล็กน้อยทีที่คุณสูญเสียแล้วคุณอยากจะได้หวังใหญ่จะเอาเนี่ยไม่ได้ไอ้อย่างเนี้แหมมันไ ม, ไม่น่าจะมีลาบต่อไปก็เลยบอกว่าเอออย่างงั้นถ้าคุณได้คืนมาร้อยหนึ่งและอีกพันหนึ่งคุณควรที่จะได้ก็เลยไม่ได้คุณจะเอาร้อยคืนหรือว่าจะเอาพันหนึ่งเออเ ข, เขาก็ต้องก็ต้องตอบตามธรรมดาแหละนะ อันนี้ฝากไปสังเกตดูนะครับเรื่องนี้ไม่ว่าจะทําบุญธรรมดาหรือทมบุญขั้นภาวนาก็จะมีข้อที่จริงอันนี้ข้อสำคัญนะสังเกตให้ดีเราจะได้ตัดใจจากอะไรบางอย่างที่เราเอาเข้าไปยึดติดผูกพันขอโทษนะฮะ บ, บางรายเนี่ยผิดหวังในเรื่องรักเสร็จแล้วทำไปทำมาไปได้คู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเกา่า ั้งเท่าตัวผมก็พูดไปเท่าตัวกันผมทิ้งวัดไม่ได้ก็ยังมีเลยนะะมันก็เลยกลายเป็นเออมันไม่จำเป็นจะต้องไปให้ไอ้คนเก่าเขามางองอดีถ้าเขาจะมางอเงาทีหลังเองก็อาจจะไม่มีราคการําหรับตัวอีกแล้วก็ได้ออทีนี้ถ้าถามว่าท่านไปทำอะไรไว้ยานี้ท่านก็รู้ได้เองนะว่าเมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหรันต์ระลึกชาติก่อนได้ ก็ลำดับตั้งปัญหาขึ้นว่าไอเราเป็นอย่างนี้เพราะอะไรภาพในอดีตก็ปรากฏเลยว่าได้ไปทํากรรมไว้เพราะถ้ากรรมที่ทําให้เป็นโลกในทางทางผิวหนังอย่างนี้นะฮะเยอะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้หรือเท่านี้ก็ตามมันมีเส้นทางกรรมหลายอย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งอย่างที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรทั้งหลายเป็นนั้นมากแล้วด้วยก็คือว่า การบริพาดด่าว่าไอ้เวลาเราด่าคนอื่นเนี่ยเราด่าเขาว่าอย่างไงให้เขาเป็นยังไงนะมันจะมามีผลถึงตัวอย่างนั้นด้ว ย, ว ย, วยนะหรือแม้แต่ไปด่าว่าลอยๆแล้วไปทําให้คนเขาเข้าใจผิดลังเกียดเนี่ยนะมันก็มีผลด้วยแต่ที่ตรงๆคือเรามีเจตนาด่าเนี่ย แล้วก็มีเจตนาหยามเหยียดในใจว่าเขาเปียงกันอย่างนี้เราจะเชื่อไม่เชื่อนาแต่ความรู้สึกขนาดนั้นอ่ะมันเป็นจริงเป็นจังอะไรกันผลจะเข้ามาถึงตัวในทางกรรมในลักษณะอย่างนั้นถ้าไปด่าคนที่เขามีศีลไม่ทำก็จะมีผลรุนแรงยืดเยื้อยาวนานท่านไปด่าใครไว้ว่าอย่างไรคําด่าท่านก็คือ ให้ขี้เลือนนี่แหะครับไอ้ขี้เลือนเคยคนไทยเราด่างนี้ไหมด่าให้ขี้เลือ น, น, ไ, ไ, ไ, ม ไ, ออนไม่รู้ใครเคยโดนด่าบ้าองอเวลาขับรถขับลาเปิดกระจกมาไอ้ขี้เลือนผมนึกไม่ออกว่าเคยโดนด่าแต่ไม่เคยด่าใครกันแล้วกันแหละแต่เคยได้ยินเขาด่ากันให้ขี้เลือนนะนี่ถืงอด่าสุภาพนะ ดาสูภาพแต่แม้มีผลบางทีนะ้ายแรงไว้ด่าไม่สูภาพบางอย่างท่านไปด่าใคไรล่ะอย่างนี้ท่านก็ระลึกแล้วก็ได้คำตอบว่าในสมัยอดีตตอนนั้นเป็นสมัยว่างจากพระพุทธศาสนาก็มีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าปรากฏแล้วก็องค์ที่ ท่านได้ไปด่าองค์นี้กำลังเดินบินธาบาตก็เดินห่มผ้ากาสายะไปเห็นเขาแล้วก็เกิดเรียกว่าหมูไม่ถูกตาเจ็กหมันไส้คืออาจจะถือว่าเป็นอัปบบมงคลอะไรๆด้วยนะก็เลยถ่มน้ำลาย แล้วก็ด่าว่าดูที่ห่มทําห่มผ้าค่ะไอ้ขี่เลือนเป็นขี่เลือนแล้วมั้งเนี่ยทํานองนี่นะห่มคลุมอ่ะเหมือนปกปิดไอ้โลกเรือนตัวเองคือไอ้คนโกรธเนี่ยมันก็คิดแสบที่จะไปนึกถึงคนเข้าในทางร้ายอย่างนั้นอย่างนี้การที่ไปด่าว่าอย่างนี้นี่เป็นลายหนึ่งอีกรายหนึ่งนะไปด่า อุบาสกคน น, น, นี่เป็นอีกสมัยหนึ่งสมัยพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วคือพระพุทธกาล ป, ป่าท่านสมีติคุตตาเนี่ยได้เกิดเป็นปริพาชกยังไม่ได้เริ่มสายพระพุทธศาสนาก็คงจะเป็นพวกปริพาชกชั้นต่ำหน่อยนะฮะมีอุบาสกคนหนึ่งมีศีลาจารวัตบริบูรณ ไม่ได้บอกว่าเป็นอริยะด้วยหรือเปล่าอุบาสกก็เขาเป็นพุทธบริษัทที่ใกล้ชิดมีศีลมีธรรมมันดีแล้วก็ตัวก็ไปโกรธเขาก็จะโกรธ ด, ด้วยว่ามันไส้หรือไม่ชอบใจที่ไปเลื่อมใสพระพระพุทธเจ้าไม่เหลื่อมใสตัวไม่ชอบโยกก็โกรธอ่ะอันนี้มันเป็นเป็นสํานึกอันหนึ่งธรรมดาแม้ยุคไหนยุคไหนก็เหมือนกัน โกรธในลักษณะเจือด้วยความขิจฉาแล้วก็ไปด่าว่าแกนี่คงเป็นโลคเลื้อนแกนี่คงเป็นโลกเลือ น, น, ค, น, อนควรจะเป็นโรกเลื้อนในทางนองนี้มันถ้าลักษณะด่ากึ่งแจ่งนะนะในที่สุดนี่แหละครับอันนี้ถือเป็นเศษกรรม มาทำให้ท่านเนี่ยกลายเป็นคนโลกเรืนอนอในประวัติให้เล่าถึงอดีตว่าแม้ว่าในชาติก่อนก่อนหน้านั้นครั้งที่พบพระพุทธวิปัสสีเนี่ยได้เคยบูชาด้วยดอกมะลิแล้วก็ในภพถัดมาคือก่อนจะมาทำบาปเนี่ยจะเกิดในสกุลสูงมีรูปสมบัติมีบริวารสมบัติ ซึ่งให้ผลไปแล้วเศรษกรรมอาจจะยังมีเหลือมีเหลืออยู่ก็ได้แต่ก็ก็ก็ถือว่ากรรมลาดับจัดวาลาในการให้ผลคนละหนคนละที่คนละคนละทีแต่ตอนชีวิตบั้นต้นเรียบร้อยดีก็อาจจะเกิดจากกุศลกรรมอนอื่น และชีวิตในบ้านปลายอคุศลก็เข้ามาแทรกก็ดีว่าท่านเป็นคนที่มีบารมีติด ต, ตัวมาจึงทำให้แม้ว่าสังกายภาพจะเสียหายแต่ว่าทางจิตของท่านได้ประโยชน์คนเราเนี่ยนะฮะผมเราเนี่ยเราพบข้อที่จริงอันหนึ่งว่าเวลาคนเราแก่ตัวลงเนี่ย น่าเห็นใจจริงๆรับใครยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่แก่ก็นึกว่าหน้าหน้าระวังตัวจริงๆเวลาเรายังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงเนี่ยมันแข็งแรงทุกอย่างไอชนกกรรมเราก็แข็งแรงนะอะไรอะไรก็ไม่ค่อยมีทำอะไรก็ยังไม่ค่อยเป็นอะไรแล้ชีวิตเราเนี่ยมาอยู่ไปชั่วกี่ปีกี่ปีเนี่ยพออายุมากขึ้นนะขอให จำไม่อย่างว่าชนกรรมมันอ่อนอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงเวลาชนกรรมอ่อนลงอ่อนลงเนี่ยถ้าในชาตินั้นหรือในชาติก่อนเราไม่มีอัปบระเวทนียกรรมไม่มีที่จะทำเวทานิกรรมที่ทำํำในชาตินี้พอสมควรนะฮะมันไม่มีผู้ประคับประคองเหมือนตัวเราเมื่อสมัยเรายังหนุ่มยังสาวไม่ได้ทําบุญคุณแก่คนอื่นเขาไว้เวลาแก่ตัวแล้วก็ เงาไม่มีคนเลี้ยงดูเหมือนอย่างบางคนเนี่ยที่บนบ่นน้อยใจอายุมากเข้าแล้วก็ทําอะไรก็ไม่ไหวแล้วบนบ่นน้อยใจว่าเออคนนั้นไม่เลี้ยงคนนี้ไม่เลี้ยงไอเราเห็นแล้วก็ไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพูดแล้วก็นึกในใจแล้วก็ว่าคงไม่ผิดเท่าที่เรามองเห็นเขาเนี่ยว่าเมื่อเขายังหนุ่มเนี่ยเขาเป็นคนไม่รับผิดชอบมีลูกมีเต้าก็ไม่เคยรับผิดชอบปล่อยให้ คนที่เป็นแม่เนี่ยต้องเหน็ดเหนื่อยเลี้ยงลูกทุกคนมาด้วยความยากลําบากตัวเองไม่รับผิดชอบอะไรเลยพอกแก่ตัวเนี่ยลูกก็ไปลุมอยู่กับแม่เลี้ยงแม่กันหมดโดยอัตโนมัตินะแล้วก็ตัวเองก็ลําบากอยู่ก็ไกลมันก็มีเหตุทําให้ไม่ได้เลี้ยงเขาไม่ได้เลี้ยงได้ดูต้องไปอยู่ในลักษณะเงาเงา แล้วก็บ่นน้อยใจน้อยใจอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นะนะไอ้ตรงนี้นะ่ะเราเห็นแล้วก็นึกว่าก็หน้าจะไม่ผิดหรอกเนี่ยทั้งในข้อเท็จจริงที่เราเห็นถึงจะผุนๆก็ตามแล้วก็ในแง่ของหลักธรรมะคือคนไม่ได้ชุบเลี้ยงไอ้นี้มันเหมือนตัวเราเองเนี่ยเราจะเลี้ยงตัวเราเองในตอนแก่เนี่ยเราถ้าเราไม่คิดในเชิงพึ่งคนอื่นนะไอ้คนอื่นที่เราพึ่งได้เนี่ยเพราะว่าเราทําที่พึ่ง เรามามีชีวิตเนี่ยเราเพึ่งจะนกกรรมลราพอเราแก่ตัวลงจันกกรรมก็อ่อนไปตามคนด้วยทั้งคนทั้งกรรมนะจําไว้นะเพราะฉะนั้นเราต้องสอบตัวเองเสมอว่าเอาลาถึงคนอ่อนแต่จันกกรรมอ่อนไปบ้างแต่ก็เหมือนยังแข็งแรงเพราะว่าเรามีกรรมที่เป็นลูกหลานในปัจจุบันที่เราดูแลเลี้ยงดูไว้เนี่ยมาคอยอุปถมัมภ์ข้มจุนทําให้เรานั้น เรียกว่าแก่แต่ตัวแต่ดวงชะตาไม่แก่เนี่ยถ้าถ้าเรามีบุญเยอะเนี่ยเวลาจะจะตายจะอะไรก็ดูเรียบร้อยนะแต่หลายๆคนก็ไม่เรียบร้อยแล้วก็ถึงคราวเป็นแล้วก็แหมก็คนนที่ว่าพอมันบดบุญกรรมมันอ่อนตัวลงเนี่ยมันหมดจริงๆนะมันเหลือเชื่อเลยว่าจะเป็นอย่างนี้โลกบางโลกก็เหลือเชื่อเลยว่ามันจะเป็นได้นะ แล้วเป็นแล้วก็แหมล่ะเราไม่ได้เคยนึกเชื่อมาก่อนเราจะทนไม่ได้เราจะเอาชะนะมันไม่ได้เนี่ยเราก็ได้เห็นเห็นคนรุ่นก่อนเราเนี่ยซึ่งเราเห็นแล้วก็นึกว่าวันหนึ่งเราก็ต้องตามเขาไปนี่เขาก็มาเป็นครูให้เราเะก่อนเราก็เตรียมเลี้ยงลูกวะเลี้ยงลูกบุญมาก่อเอาไว้ช่วยพยุงเรา พยุงต่าของเราตอนแก่ชรา <c oughs> นี่ก็เลยประวัติท่านองค์นี้ไปถึงองค์ที่แปดสิบสององที่แปดสิบสองชื่อว่ากัสป ะ, ะพระที่ชื่อกัสปะที่เรารู้จักก็คือมหากัสปะ น, นก็เติมมหาไป น, นาทีกัสปะขยะากัสปะเวลากัสปะกัสปะเยอะองค์นี้นะกัสปะเฉยๆไม่เกี่ยวกัสปะที่มีชื่อข้างหน้าข้างหนา อื่นๆท่านกาสปะนี้เป็นลูกพราหมณ์ลูกอุทิจพราหมณ์เป็นชาวเมืองสาวัตถีครับแล้วว่าพ่อน่ะตายตั้งแต่ยังเล็กกำพล่าพ่อแม่ก็เลี้ยงดูมาจนกระทั่งโตแล้วก็เมื่อโตแล้วพระพุทธศาสนาได้เข้าไปโผยแผ่ ปักหลักอยู่ในเมืองสาวัตถีแล้วคนในเมืองก็รู้จักศาสนาถ้าเกิดหลังๆก็โตขึ้นมาก็รู้เห็นพระแล้วเหมือนอย่างในเมืองไทยเราได้รู้จักพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเป็นเป็นบรรยากาศที่ประเสริฐมากทีเดียวแล้วก็มีธรรมเนียมอะไรต่างๆก็ปรากฏเป็นปกติอยู่ในเมืองนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อตัวเองโตแล้วก็ต้องมีวันหนึ่งจะต้องไปวัด ไปฟังธรรมก็ได้ไปฟังธรรมกระเขา้าที่วัะสเจตวัรและเพราะว่าท่านเป็นคนมีบุญบา ร, รมีนั่นแหละครับขณะที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ตัวเองก็นั่งฟังอยู่บนอาสนะของตนได้บรรลุเป็นพระโสดาบาันบนอาสนะในที่ฟังธรรมนั้นทีเดียว นี่เขาบรรลุง่ายแต่เป็นแค่โสดาบันก่อนก็กลับบ้านไปขออนุญาตแม่บวชแม่ก็ไม่ว่าเพราะว่าใครเขาก็บวชกันมาเยอะแล้วแม่ก็เลื่อมใสหาบวชก็ดีก็ให้บวช <c oughs> เหมือนพวกพ่อแม่หรือพระยุคหลังเนี่ยเวลาจะออกบวชไม่ค่อยมีวกสัง เราจึงไม่ไม่ได้ยินปลายุคหลังนี่ต้องมาประท้วงเพื่อจะบวชเหมือนอย่างพลาละตะบานปลา ย, ยุคแรกนะอ ย, ยุคนั้นพ่อแม่ยังไม่รู้ไม่ไม่เจอแบบอย่างว่าเลยอาจจะกลายเป็นว่าเออคนนั้นเขาบวชเป็นอารานเอาลูกเราอยากให้บวชบ้างจะได้เป็นปละเป็นอารานมันลูกทางบานนี่อาจจะมาแข่งกันอย่างนี้ก็ได้ <c oughs> เป็นขั้นนิยมที่ก็ควรจะยกย่องแหละ จนลูกมาอาบมาออกปากขอบวชเนี่ยกลายเป็นความชื่นใจของแม่ไปจะได้ำํำเมื่อบวชแล้วก็อยู่ที่วัดเทตวันจนกระทั่งถึงวันมหาปวารณาคือวันออกพรรษาพอออกพรรษาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่ได้อยู่ที่เทตะวันนะจะเสด็จจาริกไปสู่ที่ต่างๆก็โดยมากจะไปจาริกไปตามยนบทนะฮะไปโปรดสัตว์ในที่ต่างๆ ในครั้งนี้ออกภาษาแล้วก็จะเสด็จจาริกไปสู่ปัจจันตคามคือหมู่บ้านชนบทต่างๆท่านก็ไปลาแม่ว่าจะโดยเสด็จตามพระผู้มีพระภาคจาริกไปสู่คามนิคมน้อยใหญ่แม่ก็ก็ไม่ได้ว่าก็เห็นอันนี้รู้ธรรมดาธรรมชาติของพระแต่นี่เป็นตัวอย่างว่า แม่ให้พรลูกลูกแทนที่จะให้พรแม่ลูกเป็นเนี่ยสแสดงความห่วงใยแล้วก็ให้พรลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังพรของลูกซึ่งพรของแม่เนี่ยครับสําหรับพระองค์นี้แล้วท่านประทับใจแล้วก็มีความรู้สึกทราบซึ่งได้ทั้งกําลังใจได้ทั้งสิ่งที่เป็นเครื่องกระตุ้นความเพียรด้วย ว่าแม่ของเราเนี่ยห่วงเราปรารถนาดีกับเราฝากความหวังไว้กับเราอำนวยพรให้เราให้เราได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็นักว่าเราควรจะต้องทำให้สมใจโยมแม่ให้ได้อย่าให้คำพูดของแม่ความปรารถนาของแม่เนี่ยเป็นหมันไปเสียเลยเลยคำ พูดของแม่นั้นไม่ได้เข้าหูซาตารู้กว่าแล้วครับเข้าไปเป็นเครื่องแวดกังวานเตือนตัวอยู่เป็นนิดจากนั้นจึงได้ไปเล่งภาวนาแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอราหันด้วยความอุตสาห์คือด้วยความพยายามก็เป็นพระอราหันไปแล้ว นี่ก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ง่ายนะไม่ง่ายและไม่ไหวคําพูดของแม่พรของแม่ความปรารถนาของแม่ที่ได้กล่าวเนี่ยท่านถือว่าเป็นเหมือนเป็นคําละของละอีกทีนะเลยกลายมาเป็นคําประจําตัวท่านที่ว่าแม่บอกว่า ทิศทางที่สาภาคใดๆมีพิกษาหาได้ง่ายมีความเกษมและไม่มีภัยเจ้าจงไปทางทิศสาภาคนั้นๆเถิดลูกเอ๋ยขออย่าให้เจ้าประสบความเศร้าโศกเสียใจเลยเนี่ยเป็นคำอวยพรของแม่ก็คือแม่นะ่ะ พูดอย่างนี้มีความหมายเป็นสองในนี่ความเข้าใจลูกคืออันหนึ่งก็คือในทางทางกายภาพอีกในคือในทางจิตว่าไปทางไหนเนี่ยขออย่าได้มีภยัยภัยภายนอกภัยภายในความอดอยากภายนอกความอดอยากภายในแล้วก็ความเดือดร้อนความทุกข์ความเศร้าโศกสุดยอดในทางภายในก็คือได้บรรลุ อมตะทาเบื้องสูงแม่ปรารถนาอย่างนี้ลูกพอท้าบใจเลยจำคำพูดแม่มาเป็นเสียงแววกังวานอยู่ในหัวใจให้ได้ยินอยู่เป็นนิดจนบรรลุบเบนพระลามไป <c oughs> ต่อไปองค์ที่แปดสิบสามองค์ที่แปดสิบสามชื่อว่าสีหั ท่านสีหานั้นเป็นเชื้อเจ้ามันละในนครป่าวา